วันนี้เป็นวันอาทิตย์ที่แปดมีนาคมพุทธศักราชสองพันห้าร้อยหกสิบเก้าเป็นวันที่ท่านสาธุชนพุทธบายสัตว์ผู้ฝ่ธรรมผู้ฝ่ายวิมุติการหลุดพ้นจากความทุกข์ทั้งปวงได้มีเวลาว่างจากภารกิจการงานต่างๆ จึงได้ตั้งใจมาวัดเพื่อมาฟังเทศทางธรรมมาปฏิบัติธรรมเพื่อเสริมสติกําลังเพื่อเพื่อเสริมกําลังของสติปัญญาให้มีความสามารถเพิ่มมากขึ้นในการกําจัดความทุกข์ต่างๆให้หมดสิ้นไปจากใจธรรมะที่จะมาฝากท่านในวันนี้ก็คือเรื่องปัญญา ปัญญาคืออะไรปัญญาคือความรู้ในทางของพระพุทธศาสนาเป็นความรู้ที่ใช้กาจัดความทุกข์ต่างๆของใจให้หมดสิ้นไปเป็นความรู้ที่ไม่มีใครสามารถรู้ได้ด้วยตนเอง <c oughs> ยกเว้นพระพุทธเจ้าเพียงพระองค์เดียวเท่านั้นที่จะสามารถ เข้าถึงความรู้ที่จะใช้ในการดับความทุกข์ของใจได้ด้วยพระองค์เองนอกจากนั้นจะต้องรอให้มีพระพุทธเจ้ามาตรัสรู้ก่อนแล้วนำเอาความรู้นี้มาเผยแผ่สั่งสอนต่อไปถึงจะสามารถนำเอาความรู้นี้มาใช้ในการกำจัดความทุกข์ต่างๆให้หมดสิ้นไปได้ ถ้าไม่มพีพระพุทธเจ้ามาสัดทรุ้นำความรู้อันนี้มาเผยแผ่ให้แก่พวกเราพวกเราก็จะต้องสศงอยู่ในกองทุกข์อย่างนี้ไปเรื่อยๆอย่างไม่มีวันสิ้นสุดจนกว่าเราจะพบกับพระพุทธเจ้าองค์ต่อไปหรือถ้าเราได้เป็นพระพุทธเจ้าเองเท่านั้นเราถึงจะสามารถที่จะเข้าถึงความรู้ ที่จะมาใช้ในการดับความทุกข์ของใจเราได้เราถึงจะหลุดพ้นจากความทุกข์ได้ชาตินี้เป็นชาติที่พวกเราถือว่าเป็นโชคดีมหาศาลที่ได้มาพบกับคำสอนของพระพุทธเจ้าพบกับปัญญาความรู้ที่จะใช้ในการดับความทุกข์ต่างๆที่มีในใจให้หมดสิ้นไปได้เพราะไม่ใช่เป็นของง่าย ที่เราจะได้มาพบกับพระพุทธเจ้าหรือคําสอนของพระพุทธเจ้าเพราะนัานจะมีพระพุทธเจ้าปรากฏขึ้นมาในโลกสักครั้งหนึ่งและคําสอนของพระพุทธเจ้าก็จะอยู่ในโลกนี้ไปชั่วระยะหนึ่งเท่า น, นั้นไม่ได้อยู่ในโลกนี้ไปตลอดเช่นคําสอนของพระพุทธเจ้าพระงคนี้ทั้งทรงได้พยากรณ์ไม่ว่า จะอยู่ในโลกนี้ได้ประมาณห้าพันปีด้วยกันหลังจากนั้นแล้วความรู้อันนี้ก็จะหายไปจากโลกนี้เพราะว่าไม่มีใครสนใจที่จะศึกษาไม่มีคนใครสนใจที่จะปฏิบัติให้เข้าถึงความรู้อันนี้ได้และไม่มีใครสามารถที่จะเอาความรู้อันนี้มาเผยแพร่สั่งสอนให้แก่ผู้ได้ต่อไป ศาสนาคือคําสอนหรือปัญญาที่ใช้ในการดับความทุกข์ทางใจก็จะหายไปก็ต้องรอให้มีพระพุทธเจ้าองค์ใหม่ที่จะมาตัดสู้ความรู้อันนี้อีกครั้งหนึ่งแล้วนำมาเาความรู้นี้มาเผยแผ่สั่งสอนให้กับผู้ที่ปรารถนาที่จะหลุดพ้นจากความทุกข์ได้นํำมาไปใช้ในการกําจัดความทุกข์ต่างๆ ให้หมดสิ้นไปจากใจได้ังนั้นใครก็ตามที่ได้มาเกิดในยุคนี้ในยุคที่มีพระพุทธศาสนาจึงถือว่าเป็นผู้ที่มีโชคมหาศาลเพราะการมาเกิดเป็นมนุษย์ก็ไม่ใช่เป็นของง่ายอยู่แล้วเพราะมนุษย์นี้มีจํานว น, นน้อยกว่าสัตว์เดรัจฉานเป็นหลายหลายเท่าด้วยกัน โอกาสที่จะเกิดเป็นสัตว์เรัจฉานี้มีมากกว่าโอกาสที่จะได้มาเกิดเป็นมนุษย์พนั้นการที่ได้มาเกิดเป็นมนุษ JP ย์นี้ก็เป็นของยากอย่างยิ่งอย่างหนึ่งแล้วการที่ได้มาเกิดในยุคที่มีพระพุทธเจ้าหรือมีพระธรรมคําสอนของพระพุทธเจ้าอยู่ในโลกนี้ก็เป็นของยากอีกอย่างหนึ่งด้วยกันถ้าไม่มีสองอย่างนี้โอกาสที่จะ หลุดพ้นจากความทุกข์ของใจนี้ก็จะเป็นไปไม่ได้เลยถ้ามาเกิดเป็นมนุษย์แต่ไม่มีพระพุทธศาสนาก็จะไม่รู้จักวิธีกําจัดความทุกข์ต่างๆที่มีในใจให้หมดสิ้นไปได้ถ้ามาเกิดในยุคที่มีพระพุทธศาสนาแต่ไม่ได้เกิดเป็นมนุษย์เช่นมาเกิดเป็นสุนัขเป็นแมวเป็นนกอย่างสัตว์ที่เราเห็นกันอยู่ในขณะนี้ เขามาเกิดในยุคที่มีพระพุทธศาสนามีปัญญาที่จะสอนให้หลับความทุกข์ทางใจได้แต่เขาไม่มีความสามารถที่จะเข้าถึงความรู้อันนี้ได้เพราะเขาเป็นสัตว์เดรัจฉานเขาไม่มีความสามารถที่จะเข้าใจคําสั่งคําสอนที่พระเจ้าได้ทรงนำมามาเผยแผ่สั่งสอนเพื่อให้นำออกไป ใช้ในการดับความทุกข์ได้ดังนั้นถึงแม้จะได้มาเกิดในยุคที่มีพระพุทธศาสนาแต่ถ้าไม่ได้เกิดเป็นมนุษย์ก็ไม่ได้รับประโยชน์เช่นเดียวกันหรือถ้ามาเกิดเป็นมนุษย์แต่ไม่ได้เจอพระพุทธศาสนาก็จะไม่ได้รับประโยชน์เช่นเดียวกันต้องมีทั้งสองอย่างด้วยกันคือมีมีมีพระพุทธศาสนาอยู่ในโลกนี้ ขณะที่เราได้มาเกิดเป็นมนุษย์แล้วนอกจากนั้นเรายังต้องมีมีอีกอย่างหนึ่งที่เราต้องมีในการที่เราจะสามารถเอาประโยชน์จากพระพุทธศาสนาได้นั่นก็คือเราต้องมีเวลาให้กับการศึกษาให้กับการปฏิบัติคำตามคำสั่งคำสอนของพระพุทธเจ้าถ้าเรามาเกิดเป็นมนุษย์มาพบกับพระพุทธศาสนาแล้ว แต่เราไม่มีเวลาเข้าวัดกันไม่มีเวลาฟั่งเทศฟังธรรมไม่มีเวลาปฏิบัติธรรมความรู้อันเลื่อนันประเสริฐที่พูะเจ้าได้ทรงตัดสู้ที่จะเอามาใช้ในการดับความทุกข์ทางใจก็ไม่สามารถเกิดขึ้นมาได้ในใจของพวกเราเราก็ยังไม่สามารถดับความทุกข์ทางใจได้การที่เราจะดับความทุกข์ทางใจได้ เราต้องมีเวลาให้กับการศึกษาพราะธรรมคำสอนของพระพุทธเจ้าแล้วนำเอาคำสอนของพระพุทธเจ้ามาปฏิบัติ<ม>เราถึงจะสามารถกำจัดความทุกข์ต่างๆให้หมดสิ้นไปจากใจได้<ม><ม>ตอนนี้พวกเราก็อย่างน้อยก็มีสองอย่างแล้วมีเราได้มาเกิดเป็นมนุษย์กันทุกคน<ม><ม>ล้วเราได้มาพบกับพระพุทธศาสนาแล้ว อยู่ที่ว่าเรามีเวลาให้กับการศึกษาให้กับการปฏิบัติตามคำสั่งคำสอนของพระมุตเจ้าหรือไม่ <S <s ถ้าเรามีเราก็จะสามารถกำจัดความทุกข์ต่างๆที่มีในใจของเราให้หมดสิ้นไปได้ถ้าเราไม่มีหรือมีน้อยมีแค่อาทิตย์ละวันหนึ่งเช่นวันพระเราอาจจะเข้าวัดกันสักครั้งหนึ่งอันนี้ก็ ยังอาจจะไม่พอเพียงต่อการดำเนินการในการกำจัดความทุกข์ต่างๆให้หมดสิ้นไปการที่จะสามารถกาจัดความทุกข์ต่างๆให้หมดสิ้นไปได้ภายในภพนี้ชาตินะชาตินี้นั้นภายในเจ็ดวันเจ็ดเดือนและเจ็ดปีตามที่พระเจ้าได้ทรงพยากรณ์ไว้ให้กับพระภิกษุที่มาบวชในพระพุทธศาสนา ต้องมาบวชเป็นพระภิกษุเท่นั้นและมาปฏิบัติตามคำสั่งคำสอนของพระพุทธเจ้าอย่างเคร่งครัดที่เรียกว่าสุปฏิปันโนคือปฏิบัติดีปฏิบัติชอบเท้งนั้นจึงจะสามารถที่จะกำจัดความทุกข์ต่างๆให้หมดสิ้นไปได้ถ้าเราเพียงแต่มาปฏิบัติกันแค่อธิตย์ละหนึ่งครั้งเช่นวันพระมาอยู่วัดมาถือศีลแป มาฟังเทศฟังธรรมมาเดินจงกรมนั่งสมาธิกันอันนี้ก็เป็นการปฏิบัติที่ดีไม่ใช่เป็นสิ่งที่เสียหายแต่อย่างใดแต่เพียงแต่ว่ามันเป็นการปฏิบัติน้อยไปยังปฏิบัติไม่มากมันเป็นเหมือนขั้นอนุบาลที่สาหรับผู้ที่เริ่มต้นจะต้องเข้าต้องผ่านก่อนก็คือขั้นอนุบาล<ม>เพื่อจะได้ขึ้นไปสู่ขั้นปฐม จากขั้นปฐมจะได้ไปสู่ขั้นมัธยมจากขั้นมัตยมจะได้ไปสู่ขั้นอุดมศึกษาขั้นระับรับปริญญาต่างๆของพระมุตศาสนะพระมุตศาสนาก็มีปริญญาเหมือนกับทางโลกแบ่งไว้เป็นสี่ขั้นด้วยกันเรียกว่าขั้นพระอริยบุคคลสี่ประเภทขั้นที่หนึ่งเรียกว่าพระโสดาบันขั้นที่สองเรียกว่าพระสกิรดาคามีขั้นที่สามเรียกว่าพระอนาคามี และขั้นที่4ี่คือขั้นพราะอารหันต์ถ้าถึงขั้นพราะอารหันต์ขั้นที่สก็สก็จะกําจัดความทุกข์ต่างๆให้หมดสิ้นไปจากใจได้ทั้งร้อยเปอร์ซนต์ถ้าขั้นที่หนึ่งก็ได้ประมาณสาเซขั้นที่สองก็ได้ประมาณสี่เอร์ซ็ขั้นที่สามก็ได้ห้าเซ็นตขั้นที่สี่ถึงจะสามารถกําจัดความทุกข์ให้หมดสิ้นไปได้ร้อยเปอร์ซนต มันก ก, กับการเรียนหนังสือเรียนขั้นปริญญาตรีก็ได้ความรู้ระดับหนึ่งแล้วก็ต้องต่อปริญญาโทถึงจะได้รับความรู้เพิ่มเติมแล้วก็ต้องต่อปริญญาเอกถึงจะสามารถได้ความรู้แบบครบชุนบริบูรณ์ได้ น, นี่คือสิ่งที่พวกเราคนที่จะเอามาพิจารณามาคิดกันมาคำนึงกันว่าเรากำลัง ช่วยโอกาสอันนีหรือว่าเรากำลังปล่อยโอกาสอันนี้ให้หลุดมือไปเราได้มาเป็นมนุษย์แล้วได้พบกับพระพุทธศาสนาแล้วทีนี้เราก็ต้องหาเวลามาให้กับการศึกษาให้กับการปฏิบัติในเบื้องต้นก็ให้เราเริ่มทำในวันพระก่อนเป็นวันพระนี้เราก็ถ้าเป็นวันพระเราก็หยุดทำงานหนึ่งวัน เปลี่ยนเปลี่ยนงานจากการทํามาหากินเลี้ยงปากเลี้ยงท้องเอามาเป็นการทํางานเพื่อมามากําจัดความทุกข์ทางใจกัน mm. เราหยุดทํางานแล้วเราก็มาปฏิบัติทำที่จะเป็นเครื่องมือในการกำจัดความทุกข์ mm. ก็คือทำที่จะละต้นเหตุของความทุกข์เมื่อละต้นเหตุของความทุกข์ได้ความทุกข์ก็จะหายไป ทำที่เราจะเป็นจะต้องปฏิบัติก็คือศีลสมาธิปัญญาถ้ามีศีลมีสมาธิมีปัญญาเราก็จะสามารถละต้นเหตุของความทุกข์ใจคือกามตันหาภาวะตันหาและวิภาวะตันหาให้หมดสิ้นไปจากใจได้ถ้าไม่มีกามตันหาภาวะตันหาวิภาวะตันหาหลงเหลืออยู่ในใจใจก็จะหลุดพ้นจากความทุกข์ ร้อยเปอร์เซ็นตจะไม่มีความทุกข์หนุเหลืออยู่ในใจอีกต่อไปจะบรรลุเป็นพระอารหรอันต์จะเข้าถึงพระนิพพานแจะก็จะไม่ต้องกลับมาเวียนว่ายตายเกิดในโลกของสังสารวัฏอีกต่อไปต้องมีการปฏิบัติถึงจะสามารถได้ถึงถึงผลได้และต้องปฏิบัติแบบเข้มข้นในเบื้องต้นก็ลองอ อาทิตย์ละหนึ่งวันก่อนถ้าได้เห็นว่าได้ผลดีก็อาจจะเพิ่มเป็นสองวัน <S <S มีงานมีวันหยุดอาทิตย์ละสองวันก็เอาสองวันนี้ไปอยู่วัดเลยอีกห้าวันก็ทำงานไปก่อนถ้ายังจาเป็นจะต้องมีรายได้แต่พอได้ปฏิบัติธรรมได้สัมผัสกับการหลุดพ้นจากความทุกข์ตามลำดับก็จะเห็นคุณประโยชน์ของการปฏิบัติธรรมมากกว่า ประโยชน์ที่ได้จากการหาเงินหาทองก็อาจจะเห็นว่าเงินทองนี้ไม่ค่อยจําเป็นเสียแล้วเมื่อก่อนนี้เคยต้องพึ่งเงินทองแต่เดี๋ยวนี้ใจสามารถมาเปลี่ยนมาพึ่งการปฏิบัติธรรมให้ความสุขได้กำจัดความทุกข์ต่างๆได้ดีกว่าการใช้เงินทองก็ จ, จะลดการทํางานลงให้น้อยลงไปเคยทำอาทิตย์ละหวันก็อาจจะปิด เอาลดเหลือแค่สี่วันทํางานสี่วันเอาอีกสามวันมาปฏิบัติทำแล้วถ้ายิ่งปฏิบัติยิ่งได้ผลมากขึ้นยิ่งมีความสุขมากขึ้นก็อยากจะปฏิบัติเพิ่ให้มากขึ้นก็จะลดเวลาการทํางานให้น้อยลงอาจจะต้องลาออกจากงานประจําแล้วเอามาทํางานแบบงานอิสระขายประกันขายสบู่ขายยาชีฟันหรืออะไรก็ตามพอที่จะมีไรายได้เอามาเลี้ยงปะเลี้ยงท้องก็พอ แต่เงินทองที่จะไปใช้กับการหาความสุขทางการรมนี้ก็จะหมดไปถ้าเราได้สัมผัสกับความสุขที่ได้จากการปฏิบัติธรรมได้สัมผัสกับความสงบที่เป็นความสุขที่เหนือกว่าความสุขทั้งปวงมันก็จะทำให้เราเห็นคุณค่าของการปฏิบัติธรรมของของการศึกษาและการปฏิบัติธรรมก็จะทำให้เราอยากศึกษาปฏิบัติธรรมอย่างเต็มรูปแบบ ก็คืออาจจะต่อไปก็อาจจะไปบวชกันบวชเป็นพระภิกษุหรือเป็นแม่ชีกันเพื่อที่จะได้มีเวลาให้กับการปฏิบัต e ิอย่างเต็มที่ถ้ามีเวลาให้กับการปฏิบัติอย่างเต็มที่ทุกวันทุกเวลาตั้งแต่ตื่นจนหลับก็พระพจาก็รับประกันว่าสามารถหลุดพ้นจากความทุกข์ได้ถ้าไม่เจ็ดวันก็เจ็ดเดือนถ้าไม่เจ็ดเดือนก็เจ็ดปีเป็นอย่างชา จะ ต, ต้องได้ต้องจะต่องได้หลุดพ้นจากความทุกข์อย่างแน่นอนนี่คือสิ่งที่เป็นสิ่งที่ท้าทายต่อชาวพุทธเราทั้งหลายผู้ที่ได้มาศึกษาได้ยินได้ฟังธรรมของพระพุทธเจ้าแล้วจะเข้าใจว่าทําไมจําเป็นที่จะต้องมีการปฏิบัติมีการมีเวลาให้กับการศึกษากับการปฏิบัติการศึกษากับการปฏิบัตินี้ ถ้าทําควบคู่กับการดําเนินชีวิตของคารวะาคื อ, อยังหามาหากินหาเงินหาทองมาเลี้ยงปากเลี้ยงท้องแล้วก็เอาเงินที่ส่วนเกินนี้มาหาความสุขจากการไปเที่ยวไปกินไปดื่มไปดูไปฟังอะไรต่างๆนี่มันจะไม่ทําให้สามารถกำจัดความทุกขต่างๆให้หมดสิ้นไปจากใจได้มันจะต้องไปทางใดทางหนึ่ง ในเบื้องต้นถ้าเรายังไม่มีกําลังที่จะปฏิบัติอย่างเต็มรูปแบบเราก็ค่อยๆมาเริ่มฝึกปฏิบัติการอาทิตย์ละหนึ่งครั้งก่อน <c oughs> วันพระนี้เป็นวันที่พระเจ้าได้ทรงบัญญัติขึ้นมากําหนดขึ้นมาให้พุทธศาสนิกชนได้หยุดการทําภารกิจการหาความสุขทางโลกหาความสุขจากการหาเงินหาทองหายศหาตำแหน่งหาความสุขจากรูปเสียงกลิ่นรสต่างๆ เพื่อเอาเวลามาให้กับการศึกษาพระธรรมคำสอนมาปฏิบัติแล้วก็เอามาปฏิบัติเพื่อกำจัดเหตุที่มาสร้างความทุกข์ให้แก่ใจให้หมดสิ้นไปเมื่อเหตุที่สร้างความทุกข์หมดไปทุกข์ในใจก็จะหมดสิ้นไปเองทุกข์นี้เป็นผลของเหตุเราจะดับทุกข์เราไปดับที่เหตุเราไม่ต้องไปดับที่ที่ทุกข์เพราะว่าทุกข์มันเป็นผล ต้องไปดับที่ต้นเหตุของความทุกข์ต้นเหตุของความทุกข์ก็คือความอยากต่างๆความอยากหาความสุขจากการเสพรูปเสียงกลิ่นรสต่างๆเพราะว่าเวลาอยากแล้วมันจะทําให้ใจดิ้นรนไม่สงบไม่มีความสุขต้องไปทําตามความอยากพอได้ทําตามความอยากความดิ้นรนก็หายไปชั่วคราวความสงบก็กลับมาความรู้สึกมีความสุขก็กลับมา แต่ที่กลับมานี้มันไม่ได้กลับมาด้วยการกลับมาอย่างถาวรเพราะว่าการทำตามความอยากนี้ไม่ได้ทำให้ความอยากมันหายไปหมดไปจากใจมันเพียงแต่เมื่อมันได้สิ่งที่มันอยากมันก็หยุดอยากไปชั่วข่าวแล้วเดี๋ยวสักพักพอความสุขที่ได้จากการได้สิ่งที่อยากมาผ่านไปหมดไปความอยากใหม่ก็จะโผล่ขึ้นมาใหม่พอความอยากใหม่โผล่ขึ้นมาใหม่ความ ความไม่ไมสงบความไม่ไม่อิ่มไม่สุขความหิวโหยก็จะเกิดขึ้นมาทําให้ต้องดิ้นหลนไปหาสิ่งที่อยากทําอยู่เรื่อยๆืออยากดูอยากฟังอยู่เรื่อยๆแล้วเวลาไหนที่ไม่สามารถไปหาสิ่งที่อยากได้มาเวลานั้นก็จะต้องเกิดความทุกข์ขึ้นมาอย่างมากทุกทรมานใจอย่างมากถ้า ไม่สามารถทำอะไรตามความอยากได้บ่อยๆก็จะเกิดอาการเศร้าหมองเกิดอาการซึมเศร้าขึ้นมาได้เพราะไม่มีความสุขจากการที่ทำตามความอยากต่างๆได้ฉัง<ม>นั้นการทำตามความอยากนี้ไม่ใช่เป็นวิธีกำจัดความทุกข์แต่เป็นการผลัดเลื่อนเวลาของการกำจัดความทุกข์ออกไปด้วยการทำตามความอยาก เวลาได้ทำตามความอยากความทุกข์ที่เกิดจากความอยากก็จะหายไปชั่วคราวแล้วเดี๋ยวไม่นานความอยากใหม่ก็จะโผล่ขึ้นมาแล้วถ้าไม่ได้ทำตามความอยากความทุกข์ก็จะเกิดขึ้นมาในใจนี่ไม่ใช่เป็นวิธีวิธีที่พูะเจ้าได้ส่งคนทุกในการํำจัดความทุกข์ให้หมดสิ้นไปจากใจก็คือการหยุดความอยากต่างๆอย่าไปทำตามความอยาก อย่าไปทําตามความอยากดูอยากฟังอยากกินอยากดื่มกินได้ดื่มได้แต่กินเป็นเวลาดื่มเป็นเวลากินเพื่อเลี้ยงปากเลี้ยงท้องได้อยู่แต่ไม่ได้กินตามหลับด้วยการตอบสนองความอยากต่างๆอย่างคนที่กินกันวันละสีห้า 4, ครั้งนี่เรียกว่ากินกันตามความอยากไม่ได้กินเพื่อเลี้ยงปากเลี้ยงท้องถ้กินเพื่อเลี้ยงปากเลี้ยงท้องกินวันละมือสองมือก็พอแล้วและไม่ให้เกินเชี่ยงวัน อย่างเวลามาปฏิบัติทำในวันเขาก็จะมาถือศีลแปดกันเพราะถือศีลแปดศีลข้อหกก็จะไม่รับประทานอาหารหลังเที่ยงวันแล้วถึงแม้จะมีความอยากก็ไม่ให้กินตามความอยากเพราะไม่จําเป็นไม่ตายถ้าได้กินอาหารมื้อเช้ามื้อสองมื้อแล้วก็พอแล้วสําหรับการอยู่ถึงวันพรุ่งนี้ได้ร<ม>่างกายไม่ตายได้รับประกันได้ไม่ไม่ตายจากการไม่ได้กินอาหารห<ม>เพียงไม่กี่ชั่วโมง แต่ถ้าเราปล่อยให้กินไปตามความอยากมันก็กินเท่าไหร่มันก็ไม่มไม่พออยากจะกินอยู่เรื่อยๆจนร่างกายต้องมีน้ําหนักเกินแล้วก็สร้างโาครคภัยไข้เจ็บให้ร่างกายโดยใช่เหตุโรคความอ้วนก็จะเข้ามาโรคความดันก็จะเข้ามาโรคเบาหวานก็จะเข้ามาโรคอะไรต่างๆที่ไม่เคยมีมันก็จะเข้ามาหาเราที่เป็นผลจากการการกินแบบไม่มีไม่มีประมาณนั่นเอง เราต้องฝืนความอยากเหล่านี้นะอยากไปทําตามความอยากเพราะมันจะไม่ทําให้ความทุกข์หมดไปจากใจถ้าเราไม่ทําตามความอยากได้ต่อไปความอยากกินมันจะหายไปนะมันอยู่เฉยๆได้อดข้าวลวลามือสองมือ้อครั้งละมือสองมื้อก็อดได้เมื่อยังไม่ถึงเวลากินมันก็ไม่กินแล้วมันก็จะทําทให้ไม่มีปัญหาทางด้านร่างกายแล้วก็ไม่มีทางปัญหาทางด้านจิตใจ ใจก็จะไม่หิวไม่โหยไม่มีกินก็ไม่ไม่เดือดร้อนอะไรถ้าต้องอดอยาขาดแคลนก็อยู่ได้อย่างสบายอันนี้คือการกรรมวิธีในการกาจัดความทุกข์คือเราต้องต้องฝืนความอยากอย่าทำตามความอยากเพราะถ้าเราทำตามความอยากความอยากมันจะทวีคูณขึ้นไปเรื่อยๆอยากได้หนึ่งพอได้หนึ่งแล้วมันก็อยากจะได้สองได้สองแล้วมันก็อยากจะได้สาม เปนคนสู่บุหรี่ตอนนั้นก็สู่วันละมวลสองมวลต่อไปก็มวลสองมวลก็ไม่พอต้องต้องสามสี่มวลต่อไปก็กลายเป็นซองขึ้นมาหนึ่งซองก็ยังไม่พอต้องสองซองต้องสามซองจะมาหยุดก็ตอนที่ไม่สบายไปหาหมอหมอบอกว่าเป็นโรคปอดแล้วถ้าไม่หยุดก็จะตายเท่านั้นถึงจะถึงจะหยุดหรืออาจจะหยุดไม่ได้ก็ไม่รู้ แต่เวลาจะหยุดนี้ก็จะมีความทุกข์ทรมานใจเป็นอย่างยิ่งเพราะไม่รู้จักวิธีที่จะหยุดความอยากแบบไม่ทุกข์ทรมานใจได้แต่ถ้ามาศึกษาพราะธรรมคาสอนพระพุทธเจ้ามีวิธีทำให้เราสู้กับความอยากได้โดยไม่ต้องทุกข์ทรมานใจการที่เราจะไม่ทุกข์ทรมานใจนี่เราต้องมีสมาธิสร้างสมาธิขึ้นมาในใจสร้างความสุขขึ้นมาในใจ สมาธินี้ก็เปลี่ยนเป็นเหมือนกับยาชาที่เราเวลาไปหาหมอฟันแล้วหมอฟันเขาจะถอนฟันของเราออกเขาก็ฉีดยาชาให้ก่อนพอฉีดยาชาเข้าไปแล้วเวลาถอนฟันออกมาเราก็ไม่รู้สึกเจ็บอะไรกังได้เพราะตอนนั้นมียาชาคุมไว้อยู่สมาธิก็เป็นเหมือนยาชาของใจเวลาที่เรามีความอยากแล้วใจเราทุกข์ทรมาน์เราก็ ไปนั่งสมาธิเข้าสมาธิทำใจให้นิ่งให้สงบพอใจนิ่งสงบแล้วความทุกข์ทรมานที่เกิดจากความอยากก็จะหายไปเราก็ไม่ต้องไปทำตามความอยากก็ได้แล้วตอบถ้าทุกครั้งที่เราฝืนความอยากได้ในแต่ละครั้งความอยากมันก็จะลดลงไปเรื่อยๆมันก็เหมือนกับตอนที่ทำตามความอยากมันจะเพิ่มขึ้นไปเป็นเท่าๆตอนที่เราหยุดความอยากได้มันก็จะลดลงเหลือเหลือลงเหลือครึ่งหนึ่ง อยากใครมีความอยากเต็มร้อยก็เหลือห้าสิบจากห้าสิบก็เหลือยี่ห้าจากยี่ห้าก็เหลือสิบอันใดที่สุดก็หายไปหมดจากใจตราบใดถ้าเราฝืนความอยากแต่การที่เราจะฝืนความอยากได้อย่างไม่ทรมานใจเราต้องมีสมาธิเป็นผู้ช่วยต้านความทรมานใจเป็นเหมือนยาชาของใจพอฉีดยาชาเข้าไปแล้วจะถอนฟันกี่ซี่ก็ไม่เดือดร้อนถอนได้ เวลามีสมาธินี้เราจะหยุดความอยากต่างๆตามที่เราซื้อสินแปดได้สินแปดห้ามไม่ให้เราร่วมหลับนอนกับแฟนไม่ให้ร่วมหลับนอนกับใครเราก็ฝืนได้หยุดความอยากที่อยากจะนอนกันกบคนนั้นคนนี้ได้หยุดกับความหยุดความอยากที่อยากจะกินหลังจากเที่งวันไปแล้วได้หยุดความอยากที่อยากจะดูหนังฟังเพลงไปเที่ยวตามสถานบันเทิงต่างๆ ด้วยความอยากที่จะเสริมสวยความงามของร่างกายด้วยเสื้อผ้าพรที่วิจิตพิสดารแล้วด้วย อ, ด, วยอด้วยเครื่องสำอางต่างๆสามารถอยู่แบบเรียบง่ายได้อะาบนั้นแล้วก็ผีผ้าผีผมให้สะอาดก็พอไม่ต้องใจไม่ต้องปรุงแต่งอะไรใจก็ไม่เดือดร้อนออแล้วก็นอนก็ไม่ต้องนอนมากคนที่คนที่มีสมาธินี้ใจางสงบ นอนแค่คือละสีห้าชั่วโมงก็พอยังไม่จำเป็นที่จะต้องนอนบนเตียงที่มีเตียงสำราญมีฟูกนหนาะสามารถนอนกับพื้นพื้นแข็งๆได้ปูผ้าปูเสือก็พอก็ไม่เดือดร้อนอะไรเพราะมียาชายาชาที่จะทำให้ไม่ค่อยรู้สึกกับความเจ็บความทุกข์ยากลำบากของทางร่างกายใจถ้ามีสมาธิแล้วใจจะสามารถปฏิบัติเอาปัญญามากาจัดความทุกข์ต่างๆ ภายในใจให้หมดสิ้นไปได้เราต้องใช้ปัญญาที่พระเจ้าทรงสอนว่าความทุกข์ของเราเกิดจากความอยากเช่นเวลาเราเจอกับโรคภัยแค่เจ็บแล้วก็จะเกิดความทุกข์ใจขึ้นมาด้วยความทุกข์ใจนี้เกิดจากความเจ็บไข้ได้ป่วยนี้เราสามารถทำลายมันได้กำจัดมันได้ถ้าเรามีสมาธิแล้วเราก็มีปัญญาที่สอนใจให้ยอมรับความจริงว่าร่างกายเป็นของไม่เที่ยง ร่างกายเกิดแล้วต้องแก่ต้องเจ็บต้องตายเป็นธรรมดาเวลาเจอกับความแก่ความเจ็บถ้าใจมีสมาธิใจก็ไม่เดือดร้อนใจก็สามารถอยู่กับความแก่ความเจ็บได้ถ้าแก่แล้วไม่สามารถทำอะไรได้ก็ไม่เดือดร้อนเพราะว่าใจมีความสุขจากสมาธิอยู่บ้านเฉยๆก็ได้อยู่บ้านคนเดียวก็ได้ไม่ต้องไปเที่ยวไปดูหนังฟังเพลงไม่ต้องไปทําอะไรก็ได้ถ้ามีสมาธิ อยู่ในใจเรารู้ว่าถ้าเปถ้าไปอยากก็จะทำให้ทุกข์ก็จะฝืนความอยากไม่อยากไปเที่ยวไหนไม่อยากไปดูอะไรไม่อยากไปทำอะไรอยู่กับสมาธิดีกว่าเข้าสมาธิไปนั่งสวดมนต์ไปหรือสั่งเทศสั่งธรรมไปนี่คือวิธีการกาจัดความความทุกข์ต่างๆที่มีใน ใ, นใจเวลาที่เกิดความทุกข์ทางร่างกายขึ้นมา ร่างกายเจ็บไข้ได้ป่วยเป็นโรคมะเร็งอะไรก็ตามหรือจะต้องตายก็ตามใจก็จะไม่หวั่นไหวใจก็จะไม่ทุกข์เพราะใจมียาชามีสมาธิทําให้ใจนี้สามารถรับต่อการการแก่การเจ็บการตายของร่างกายได้ใจจะไม่ทุกข์กับอะไรถ้ามีสมาธิแล้วก็มีปัญญาปัญญาก็คือรู้ว่าความทุกข์ของเราเกิดจากความอยากของเรา ถ้าเราไม่อยากจะทุกข์เราก็หยุดความอยากอย่าทำตามความอยากพอเราไม่ทําตามความอยากป่อไปความอยากมันก็จะดับไปหายไปพอความอยากหายไปความทุกข์ก็จะหายไปความทุกข์ที่เกิดจากความแก่ก็จะหายไปถ้าเราหยุดความอยากไม่แก่ได้ความทุกข์ที่เกิดจากความเจ็บไข้ได้ป่วยก็จะหายไปถ้าเราหยุดความอยากไม่เจ็บไข้ได้ป่วยได้ความทุกข์ที่เกิดจากความตายก็จะหายไปถ้าเราหยุดความอยาก ไม่ตายได้เท่านั้นเองเราห้ามความแก่ความเจ็บความตายไม่ได้แต่เราห้ามความอยากไม่แก่ไม่เจ็บไม่ตายได้ด้วยกำลังของสมาธิด้วยด้วยความรู้ทางปัญญาว่าเราต้องหยุดความอยากเหล่านี้ถ้าเราไม่อยากให้ใจของเราทุกข์กับความแก่ความเจ็บความตายพอเราหยุดความอยากเหล่านี้ได้แล้วเราก็จะไม่ทุกข์กับอะไรต่อไปแล้วจไม่มีความอยากอะไรที่จะมาดึงให้เรากลับมา เปลี <ersch> ่ยน <Key board. S 1> ่หวตายเกิดเด็กต่อไปเพราะความอยากจะเสพรูปเสียงกลิ่นรสนี้ก็หมดไปเมื่อไม่มีความอยากเสพรูปเสียงกลิ่นรสก็ไม่ต้องมีตาหูจมูกลิ้นกายก็ไม่ต้องมีร่างกายก็ไม่ต้องกลับมาเกิดเด็กต่อไปเมื่อไม่กลับมาเกิดก็จะไม่มีความแก่ความเจ็บความตายต่อไปทุกที่เกิดจากความเกิดแก่เจ็บตายก็จะหมดสิ้นไปนี่คือปัญญาทางพระพุทธศาสนา มีเอาไว้มาใช้เพื่อดับความทุกข์ทางใจต่างๆให้มาให้มาหยุดความอยากโสที่สร้างความทุกข์ให้กับใจด้วยการมีสมาธิเป็นเหมือนยาชาที่จะช่วยให้สู้กับความทุกข์ทรมานใจที่เกิดจากความอยากได้ถ้าไม่มียาชานี่เวลาเกิดความอยากขึ้นมานี่สู้มันไม่ไหวมันอยากจะไปเที่ยวก็ต้องไปเที่ยวมันอยากจะกินก็ต้องไปกิน ถ้าไม่ไม่ได้กิดไม่ได้ที่เรามันจะตายให้ได้มันทรมานใจแต่พอเรามีสมาธิมียาชานี่เราก็ไม่เดือดร้อนมันอยากเท่าไหร่เราก็สามารถสู้กับมันได้ไม่ทำตามมันได้ น, นี่คือเรื่องของปัญญาที่เอามาฝากท่านในวันนี้ก็พอสมควรแก่เวลาก็ขอยุติการแสดงไว้เพียงเท่านี้ก็ที่เราจะได้เอาเวลาอีกสามิบนาทีโดยประมาณ มาฉีดยาชาให้กับใจกันก็คือมาสร้างสมาธิให้กับใจมาฝึกนั่งสมาธิทำใจให้นิ่งให้สงบพอาจัใจนิ่งใจสงบแล้วใจจะใจจะสบายใจจะไม่วุ่นวายกับเรื่องราวต่างๆเหตุการณ์ต่างๆที่จะมากระทบกับใจนี้จะไม่สามารถทําให้ใจวุ่นวายได้ไม่ว่าจะเป็นเรื่องของร่างกายที่จะต้องแก่เจ็บตายก็ดีไม่ว่าจะเป็นเรื่องของการสูญเสียการท้าท่าจากบุคคลต่างๆ รลือกลับจากสิ่งของต่างๆนี้มันจะไม่ทำให้ใจเราเดือดร้อนเลยเหมือนกับเวลาที่เราไปหาหมอฟันแล้วถอนฟันนี้หมอฟันเขาจะฉีดยาชาให้ก่อนพอฉีดแล้วทีนี้เวลาถอนฟันก็ไม่รู้สึกอะไรเลยถ้าเรามีสมาธิถ้าเรามีปัญญา<ม>ยอมรับความจริงว่าทุกสิ่งทุกอย่างในโลกนี้เป็นของไม่เที่ยงวันหนึ่งมันจะต้องจากเราไปเวลาเกิดการพัดพากจากกาันมันจะไม่ทาให้ใจเราเดือดร้อนเลย เพราะใจเรามีสมาธิเปมียาชาของใจที่จะช่วยรักษาใจไม่ให้ทุกข์ทรมานนั่นเองดัง น, นั้นสิ่งที่เราต้องพยายามสร้างกันขึ้นมาในตอนนี้ก็คือยาชาของใจคือสร้างสมาธิให้กับใจขึ้นมาให้ได้ถ้าใจมีสมาธิแล้วมีความสงบแล้วใจจะไม่เดือดร้อนกับอะไรทั้งสิ้นที่มากระทบกับใจวันนี้เราจะมานั่งสมาธิกันวิธีนั่งสมาธิก็ง่ายๆให้เรามีสติและเลึกรู้อยู่กับ อารมณ์ที่เรียกว่ากรรมฐานเช่นคำบริกรรมพุทโธพุทโธหรือการดูลมหายใจเข้าออกอ<ม>หล่านี้เรียกว่ากรรมฐานเป็นอารมณ์ที่ใจคือใจต้องมีสติสติเป็นเหมือนเชือกที่จะมัดใจให้อยู่กับกรรมฐานถ้ามีเชือกมัดอยู่ใจอยู่กับกรรมฐานใจก็จะไปคิดเรื่องนั้นเรื่องนี้ไม่ได้เมื่อใจไม่คิดต่อไปใจก็จะหยุดคิด พอหยุดคิดใจก็จะนื่งสงบใจก็จะสบายมีความสุขไม่เดือดร้อนกับอะไรทั้งสิน้นนั่งก็นั่งได้ร่างกายจะเจ็บตรงนั้นปวดตรงนี้ก็ไม่รู้สึกเดือดร้อนอะไรจะได้ยินเสียงที่เสียงดงดังขนาดนี้ขนาดไหนก็ไม่รู้สึกลาคาญไปอย่างใดสามารถปล่อยวางทุกสิ่งทุกอย่างได้ดังนั้นเวลานั่งสมาธิเราต้องเข้าใจหลักของการนั่งสมาธิว่าเราต้องการนั่งให้สงบไม่ต้องการ ให้เกิดปัญญาเราไม่ต้องการรู้การเกิดดับไม่ต้องการรู้อริยาศาสตร์สีรู้ไตรลักษ์อะไรทั้งสิ้นในขณะที่เรานั่งเราไม่ต้องการพิจารณาเพราะการพิจารณาเป็นการทำงานเป็นความคิดถ้าคิดมันก็จะไม่มีวันสงบได้ถ้าเราอยากจะสงบเราต้องไม่คิดอะไรไม่ต้องพิจารณาอะไรไม่ต้องไปรู้อะไรให้รู้อยู่กับกรรมฐานเพียงอย่างเดียวถ้าใช้นมก็ดูลมไปอย่างเดียวถ้าใช้บริกรรมพุทโธก็บริกรรมพุทโธไปอย่างเดียว ถ้ายัางใช้พุโทโธไม่ได้ใช้ลมไม่ได้ใช้สวดมนต์ไปก่อนก็ได้สวดไปจนรู้สึกว่าใจเบาสบายแล้วสามารถเปลี่ยนมาดูลมได้ก็มาดูลมแล้วเปลี่ยนมาบริกรรมพุโทโธก็บริกรรมพุโทโธให้รู้อแค่นี้อย่าไปสนใจกับอะไรที่เกิดขึ้นในขณะที่นั่งให้ถูกใจไว้กับกรรมฐานนี้ไปแล้วกรรมฐานกับสตินี้จะนึงให้ใจเข้าสู่ความสงบพอสงบแล้วก็เหมือนกับฉีดยาชาเลย อะไรจะมากระทบกับใจนี้จะรู้สึกเฉยเฉยไม่เดือดร้อนอะไรหมอจะถอนฟันกี่ซี่ก็ถอนไปไม่เดือดร้อนอะไรใครจะมาด่ามาชมใครจะมาทำอะไรนี้ใจจะรู้สึกเฉยเฉยจะรู้สึกสบายอันนี้คือเป้าหมายของการนั่งสมาธินั่งด้วยสติและเลิกลั่อยู่กับกรรมฐานจะเป็นลมก็ได้เป็นพุทโธก็ได้หรือเป็นอะไรก็ได้ที่เราเคยใช้ในการปฏิบัติมา ก, ก่อน ถ้าใช้แล้วได้ผลทำให้ใจนิ่งให้สงบก็ใช้กรรมฐานแบบนั้นก็ได้เพราะมีกรรมฐานต้องสี่สิบชนิดด้วยกันที่นี่เพียงแต่ยกมาเฉพาะที่เราใช้กันเท่านั้นเองแต่สามารถใช้กรรมฐานแบบอื่นได้ไม่ไม่จำกัดว่าจะต้องใช้แบบนี้อย่างเดียวเท่านั้นเองแล้ต่อไปนี้เราก็จะมานั่งสมาธิกันมีสติแล้กรู้อยู่กรรมฐานโดยอาจจะหมดเวลาประมาณสักยี่สิบห้านาทีด้วยกัน อตอนนี้เวลาสำหรับการนั่งสมาธิก็ได้หมดลงแล้วก่อนที่จะเลิกโปรดสังเกตดูวิธีนั่งของวันนี้ว่านั่งแล้วสงบดีไหมถ้าสงบดีก็ให้จดจาวิธีนั่งของวันนี้ไว้คราวหน้าเวลามานั่งก็ใช้วิธีนี้ต่อได้เลยจิตก็จะสงบเหมือนคราวนี้อย่าไปนั่งแล้วอยากให้มันสงบเหมือนวันนี้เพราะว่าคว า, ความสงบไม่ได้เกิดจากความอยาก ถ้านั่งแล้วยังไม่สงบก็แสดงว่าสติยังมีกาลังน้อยควรจะฝึกสติจเจริญสติให้มากก่อนที่จะมานั่งเราสามารถจเจริญสติได้ทั้งวันตั้งแต่ตื่นจนหลับลืมตาขึ้นมาก็บริกรรมพุทโธพุทโธไปภายในใจหรือมีสติอยู่การเคลื่อนไหวของร่างกายไปตลอดเวลาต่อไปเวลามานั่งก็จะสงบได้ง่ายได้เร็วต่อไปนี้จะขออนุมโมทนาให้พร ยะถาวาริวะหาปูราปริกปุริเณติสาคหลังเอวเมวะอโตจินังเปตานังอุปกปติอิชิตังปฏิตังตุหังคิดเมวะสมิจโตสัพเพปุริเณตุสังตปาจันโทปนะระโสยะถามณิโชติ ภราสุยทัสสะพิติโยวิวัจฉันตุสัพโรโควินาศตุมเตภวัตวันตรายุสุขิทีขายุโกภวาอภิวาตนาสีลิสานิจังวุฒาปจายโนจตารุธรรมวาทานเตอายุวันุสุขัง ช่วงต่อไป น, นี้เป็นช่วงถามตอบคำถามใครมีคำถามอะไรอยากจะถามขอเชิญถามได้ในช่วงนี้เลยเป็นช่วงเดียวที่จะสะดวกตอบถ้าหลังจากเลิกเราจะไม่สะดวกต้องขออภัยด้วยถ้าไม่อยากจะถามเองก็เขียนใส่กระดาษของข้อความเข้ามาก็ได้อันนี้มีผู้ติดตามทั้งหมดเท่าไหร่ เรียนพ้าจาร์ค่ะวันนี้มีผู้รับฟังธรรมานากุติจากทาง Facebook 260ท่าน YouTube พระสุชาติไลฟ์348 YouTube ดกร53วิทยุออนไลน์7 Clubhouse 4นากกุติ163เริมทั้งหมด835ท่านค่ะคำถามจากผู้รับฟังนากกุติค่ะข้าที่1 พิจารณาร่างกายเป็นอาการ32แยกทีละอาการรู้สึกไม่ถนัดพิจารณาร่างกายเน่าอืดบวมพองตาปิ้นลิ้นจุกปากมีกระดูกเป็นกระดูกมีหนอนชัยจนเสียดสีเอียนทำถูกไหมครับแล้วควรทำอย่างไรต่อกาหมายเราต้องการให้เห็นร่างกายว่าไม่สวยงามไม่น่ารักจะได้ไม่มีแฟนเท่านั้นแหละถ้าเห็นว่าไม่น่ารักไม่มีความรู้สึกอยากจะมีแฟนก็ใครได้แล้ว ข้อที่สองค่ะระหว่างวันหายใจเข้านึกพุทธหายใจเข้าหายใจออกบริกรรมโทตอนกลางคืนสวดมนต์นึกพุทธโทอย่างเดียวทำผูกไหมครับกลางวันฟุ้งเยอะเลยต้องใช้ลมช่วยควบกับพุทธโทขอคําแนะนำครับพุทธโทอย่างเดียวจะสะดวกกว่าใหญ่บาดไหนก็ได้ขอให้ใจไม่คิดเรื่องนั้นอย่างนี้ก็แล้วกันข้อสามค่ะ ใช้รูปประคำนับหนึ่งเม็ดพุทโธไปเรื่อยๆโดยไม่ให้จิตไปคิดเรื่องอื่นทำถูกไหมครับขอคำแนะนำเพิ่มเติมครับถ้ามันไม่คิดก็ใช้ได้ข้อสี่คุณไม่เจนาอาสุภะยอย่างน้อยวันละกี่ครั้งครับมันก็อาจะปล่อยวางความรักในร่างกายกระเอือนได้ข้อที่ห้า กำหนดเวลาทำสมาธิครึ่งชั่วโมงหลังออกจากสมาธิมาพิจารณาอสุภาห้านาทีทำถูกไหมครับก็แล้วแต่เราต้องพิจารณาเพื่อให้ปล่อยวางให้ได้ถ้ายังปล่อยวางไม่ได้ก็ต้องพิจารณาต่อไปคําถามจะพูดและฟังนกุฏิค่ะนั่งสมาธิแล้วบางครั้งเห็นพระอริยะสงฆ์ <mm ก็นั่งบริกกรรมพุทธโธต่อทำถูกไหมครับ ควรจะอยู่ยกับพุทโธอย่างเดียวไม่ต้องไปสนใจกับอะไรทั้งสิ้นนั่งสมาธิบางครั้งเห็นโครงกระดูกก็พิจารณาพอเหนื่อยก็มาบริกรรมต่อทําถูกไหมครับไม่ถูกต้องอยู่กับพุทโธอย่างเดียวคํำถามจากทาง youtube ดร์วค่ะ หาเราต้องลาบากเพราะความคาดหวังของคนอื่นแล้วเราเอาประโยชน์ตัวเองก่อนแต่อีกฝ่ายเสียใจแบบนี้ถือว่าเห็นแก่ตัวไหมครับก็แล้วแต่เราเนะ่ะเราจะเห็นแก่เขาหรือเห็นแก่เขาเราเน่ะถ้าเห็นแก่เขาก็ทําตามใจเขาไอ้เห็นแก่เราเราก็ทําตามใจเราขอเรียนถามเจ้าค่ะเวลาเดินจงกรมเท้าสะเอวได้ไหมเจ้าค่ะไม่ควรไม่ถ้าหน้าไม่สํารวมให้เขารพ คนเนี่ยให้ใน ท, ท่าที่สำรวมที่ที่มีความเคารพเอาเสียว่าเป็นการปฏิบัติบูชาพระพุทธเจ้าคําถามจากทางยูทูปพระอาจารย์สุชาติค่ะกราบพระอาจารย์เมตตาอธิบายศัก์แต่ว่ารู้ครับเคยรู้เฉยๆไม่รักไม่ชังไม่กลัวไม่หลงใครด่าก็เฉยๆไปใครชมก็เฉยๆไปไม่ต้องดีใจเสียใจ คำถามจากทาง YouTube พระอาจารย์สุชาติค่ะผมทำสมาธิโดยใช้สติกำหนดที่ท้องน้อยความคิดจะดับไปออกมาจากสมาธิก็กำหนดเช่นเดียวกันความคิดก็จะดับไปเป็นวิธีที่ถูกต้องไหมครับวดังการหยุดความคิดทำใจให้นิ่งคำถามจากทาง youtube พระอาจารย์สุชาติค่ะอันนี้สงสจากการร่วมสร้างหรือสนับสนุนสถานปฏิบัติธรรมมีประการใดบ้างคะ ก็ทำให้ผู้อื่นเขาได้รับประโยชน์เราก็ได้รับประโยชน์ไม่ที่เราจะได้ไปปฏิบัติทําด้วยคำถามจากทาง YouTube พระอาจารย์สุชาติค่ะการปล่อยวางคนฝึกอย่างไรคะฝึกสมาธิบ่อยๆให้จิตวางเฉยแล้วก็จะปล่อยวางได้คำถามจากทางอินบ็อกซ์ค่ะ ถือห้าพยายามไม่สร้างกรรมพยายามไม่สร้างกรรมไม่ดีใหม่ฝึกนั่งรับรู้ลมหายใจเข้าออกรับรู้ความรู้สึกต่างๆบนร่างกายรับรู้ยอมรับอารมณ์ต่างๆฟุ้งซ่านก็ยอมรับสภาพระฟุ้งซ่าน โกรธโลกก็รับรู้รับสภาพคิดดีคิดไม่ดีก็รับรู้รับสภาพทันเห็นตอนสิ่งเหล่านี้เกิดดับบ้างไม่ทันเห็นสิ่งเหล่านี้เกิดดับบ้างอยู่กับความเป็นจริงณวินาทีปัจจุบันไปเรื่อยๆฝึกแบบนี้สม่ําเสมอจ ะ, จ, สจะเกิดสิ่งเหล่านี้ขึ้นไหมครับ 1. สามารถรับรู้ความรู้สึกบนร่างกายอารมณ์ได้ละเอียดขึ้นแม้ความรู้สึกนั้นเล็กน้อยเบาบางมากๆที่อาจจะเคยจับความรู้สึกได้ยากเราก็จะรู้สึก ได้ชัดขึ้นง่ายขึ้นหรือเปล่าครับก็ไม่รู้เหมือนกันอ่ะลองทำไปดูก็แล้วกันข้อสองกิเลส ต, ต่างๆจะเบาลงน้อยลงเรื่อยไปจนหมดไปไหมครับก็ดูไปมาหมดเข้าไปใครมีคำถามถามลองเข้ามาไหมอย่างนี้ยเข้ามา กรรมนามส ก, การพระอาจารย์ค่ะโยมอยากทราบเรื่องจริตมีผลต่อการปฏิบัติไหมคะจริตก็เป็นตัวที่จะมาเป็นอารมณ์ก่อปิดขวางการเข้าสู่ความสงบเวลาเราโกรธใครนี่นั่งสมาธิไม่ค่อยได้เพราะเราไปคิดแต่เรื่องเรื่องที่ทําให้เราโกรธืลอคนที่ทําให้เราโกรธในเวลาเกิดความโกรธท่านบอกให้ใช้เมตตาให้อภัยกับคนที่เขาทาให้เราโกรธพอเราให้อภัยก็ได้ความโกรธในใจเราก็ดับไป เราก็จะได้เข้ามานั่งสมาธิได้เป็นปกติถ้าเกิดลาคะตัว <c oughs> อยากจะมีแฟน <c oughs> ก็ต้องพิจารณาสุภะให้เห็นว่าแฟนนี้มีเป็นซากศพ เ, เน่าเฟะอย่างนี้มีตับไตไส้พุงมีกระดูกมีอะไรนี้พอเห็นอย่างนี้แล้วอารมณ์ราคะก็จะหายไปก็จะสามารถกลับเข้านั่งสมาธิได้เป็นต้นงั้นจริตมันก็เกิดขึ้นได้กับทุกคนมันเป็นอารมณ์ ที่บางคนมีมีจริตในทางใดมันก็อารมณ์นั้นจะเกิดขึ้นมากคนที่มีราคะจริตก็จะคิดแต่เรื่องแฟนอย่างเดียวคนที่โทสะจริตก็อะไรนิดหน่อยหน่อยก็จะโกรธเข้าไปหมดนี่เรียกจริตต้องแก้ด้วยเนี่ยถ้าโทสะจริตต้องแก้ด้วยความเมตตาถ้าราคะจริตต้องแก้ด้วยอสุภะเป็นต้นค่ะและแล้ ว, ลวอสุภะ เมันมันใช้เฉพาะเวลาที่เราเกิดความกำหนัดอะไรอย่างนี้ใช่ไหมคะก็ต้องทําการบ้านไว้ก่อนนถ้าไม่ทําการบ้านเวลาเกิดขึ้นมามันนึกไม่ออกเห็นแต่สวยไปหมดหน้าดูไปหมดเนี่ยต้องซ้อมไว้ก่อนมอนทำการบ้านก่อนจะเข้าห้องสอบถ้าไม่ทําการบ้านมาถึงเจอห้องสอบก็สอบตกนึกไม่ออกนึกไงก็ไม่ออกมาค่ะพระอาจารย์มีอีกค่ะเออโยม ได้ฟังคําของครูบาอาจารย์บางท่านนะคะท่านจะสอนกรรมฐาน40ควบคู่กับลมหายใจพอจับตัวกรรมฐาน40บางตัวอย่างเช่นนึกภาพพระพุทธเจ้าคู่กับลมหายใจพอถึงชั้นที่สองมันจะตัดไปที่ลมหายใจสรุปยมคิดว่าลมหายใจมีความสําคัญมากพระอาจารย์คิดว่ายังไงคะพระอาจารย์สอนให้ดูลมหายใจอย่างเดียวไม่ต้อง40เอาแค่อย่างเดียวลมหายใจก็หนึ่งใน40 เวลาเราทำสมาธิเราไม่เอาั้งสี่สิบหรอกเวลากินข้าวเราเลือกเอาแค่กับข้าวอย่างสองอย่างก็พอ <c oughs> <c oughs> ไม่ต้องสั่งมาจากทั้งร้านมีเท่าไหร่เอามาหมดกินไม่หมดหรอกไม่จําเป็นเอาอยางใดอย่างหนึ่งก็พอพุญธจาสรงสอนอน า, นาปนสติในสติปัฏฐานสี่อันนี้พาให้เข้าถึงฌานสี่ได้รูปฌานรูปฌานสี่ได้เข้าสู่เบขาได้ ออย่างเดียวก็พอหลวงปู่มั่นี่เาสอนให้ใช้บริการพุทโธอย่างเดียวไปก็เข้าสู่ฌานสี่ได้เหมือนกันรับขอบพระคุณเจ้าค่ะคุอะถามคำมเนดี๋ยคุณในไมโครโฟนโับครับครับครับค Human beings like looking for happiness, um, but of course we don't know the teaching of Buddha, so we look for external pleasure. Now, is that because um, we don't have faith? Like, uh, what what is causing? If like we all want to find happiness, but we don't know how to find happiness, so we go and look for external things. Like is it something dealing with faith? Like because yeah. an external thing is easier to see. It's habitual, something you have developed for a long, long time, like being right-handed or left-handed. If you're right-handed, you don't want to use the other hand. You want to keep using the right hand. Same way, if you're used to sensual pleasures, you will go seek sensual p l e a s u r e It's not easy to switch right away, so you have to force yourself to switch. Force yourself to go meditate. If you don't go, don't force yourself. Then your your habit will take over. Just like if you're used to right hand, if you're right handed, you have to force yourself to use your left hand. And one way to force it is to cut kind of your your right arm. <laughs> when you have, you, when you cannot use your right arm, then you have to use your left arm. Same way, if you used to central class r e s you have to go become a monk. <laughs> Then you have to use uh, uh, meditation p r e s s u r e instead of sensual pleasure. So you have to keep the eight precepts at least to force yourself to meditate, because you can no longer have sensual pleasure, because you're keeping the eight precepts. You cannot sleep with your wife, so you have to meditate instead to keep you happy. Uh, so okay, so we okay. force ourselves yeah. to do that. Right now, everybody is use sensual pleasure, and use sensual pleasure as a way of keeping them happy. o oh, k a y okay. Yeah. But if you want a better pleasure, you, meditation pleasure is better. It's self-sustained. You can always have it. You don't have to rely on other people or thing. With sensual pleasure, you have to rely on people. You have to rely on your own body. There's so many variables, so many factors. And one of them doesn't go right, then you won't be able to have it. So, so Buddha, that's why, came out from the palace, spent six years. Yes. That's what he's forcing yes, himself. Yes, forcing himself to meditate, and eventually he found permanent peace, permanent happiness, from practicing. Concentration and de and development wisdom, developing wisdom. <coughs> okay. So that's what you have to do. You want to be like the Buddha, yeah, his noble disciple. Okay. a n I j a n if someone force himself, not getting to achievement uh, enlightenment level, then he pass away. Then continue. he will continue on if he can. If you have developed it to the point where it becomes a habit, it u l l go with him. Hmm. If you be, if you have the habit of keeping the e i g precepts, in your next life you'll keep the e i precepts. Okay, then keep doing that. Okay, yeah. continue on. Hmm. It doesn't disappear when you die. The body disappears, but the precept remains in the mind. It goes with the mind. Hmm. Keeping the precepts. Uh, meditation. This thing will go with the mind. Okay. That's why people, when they are born in this life, they have different ability. Some people are able to keep the eight precepts. Some people are not able to. Some people can meditate, and some people cannot meditate. That's because in the past life, they have developed di differently. Mm -hmm. so okay. So, so. Yes. Thank you, t a n j a n We have another gentleman. Would you like to ask a question? Okay, please. Could you pass on the microphone? Hello. Uh, I would like to ask maybe personal question about uh, Dhamma. Uh, sure, go ahead. Uh, I would like to ask uh, what meditation will help me in this my mind upset, like in this particular of time. It will calm your mind down. Make you r mind is normally agitated and restless. But when you meditate, you can stop the restlessness and agitation, and makes the mind become peaceful and happy. Mm. So to calm my mind, yes. Yes. Mm. It's for the mind, mm. not for the body. Meditation. The mind right now is not happy. My m i wants this and wants that. Once you meditate, you can stop your wanting, and you can be calm and peaceful and happy without having anything. Uh, uh, are i t possible to stay here around for a few days and learn from you more about Dhamma? Well, we have place that you can stay with the m o n n t on the mountain. Mm. If you if you can live simple, simple. No electricity, no running water. And if you want, somebody will be going yeah. up to the mountain mm. soon. You can go up with them and take a look. Mm. Okay, this gentleman right here, he can show you the place. y e a After we finish here. Yeah. Thank you. <laughs> <laughs> Thank you. Thank you. Amen. Amen. a y e n ขอถามการปฏิบัตินะครับูดังๆเอช่วงนี้ตอนเช้าก็จะเดินครึ่งชั่วโมงนั่งชั่วโมงหนึ่งถ้ามีเวลาก็ทำสองรอบครับถ้าตอนเช้าไม่ได้ทําก็ทําตอนเย็นนะครับแล้วก็ที่เจอก็คือถ้าถ้าใจสงบสบายมีความสุขสบายอย่างเงี้ยก็จะเอาตัวนั้นก่อนสงบสบายแล้วก็ที่ความคิดก็เหมือนหยุดไป หยุดไปชั่วระยะหนึ่งครับหรือมีก็มีนิดหน่อยครับถ้าต้องทําตรงนี้ได้จะเอาตรงนี้มันนี้สบายที่สุดนะครับถ้าถ้าถ้าบางบลังมันไม่มันไม่สงบอย่างนะั้นอ่ะมันก็คือมันก็สบายอยู่มีความสุขสุขสบายอยู่แต่ว่ามันก็มีความมันมีความคิดมีความรู้สึกที่เกิดดับยุบยับยุบยับยั บ, บมาเขาก็ดูดูความรู้สึกนะนะั้นอ่ะแล้วก็ดูความสบายไปด้วยครับก็ บางทีก็ดูได้หลายชั่วโมงเลยก็นั่งอย่างนั้นนะครับแล้วก็แต่บ า, บางครั้งเอช่วงระหว่างวันะก็จะเจออย่างนี้ด้วยครับแต่บางครั้งเนี่ยมันเหมือนกับว่ามันเกิดดับยิดยับเยอะแยะเลยเอาเหนื่อยมันก็ยังจะเกิดดับอยู่อย่างนั้นแหละเหมือนกับว่าจิตมันอยู่เฉยไม่ได้มันคอยหาอารมณ์มาดูจิตยิบยับยุบยับอย่างนั้นอยู่ตลอดแล้วเหนื่อยมันก็ยังดูอยู่ครับ อันนี้ที่เจอครับแล้วก็แล้วก็ช่วงเดือนหนึ่งประมาณเดือนหนึ่งมันเนี้ยก็เจออีกอย่างนึงคือพอมันเกิดดับยุบยับยุบยับแล้วเนี่ยถ้าวันไหนสติดีเนี่ยเราก็เอาสติมามาดูมันมันก็ดับพอดับแล้วมันก็สงบวุบลงไปมันก็ ใส่อารมณ์มันเกิดแล้วม <windows> ันก็ดับแล้วมันก็สงบเกิดแล้วก็ดับเราสติไปดูมันก็เกิดดับแล้วมันก็สงบสงบสงบลงไปก็สบายดีเหมือนกันครับแล้วก็สงบได้ไหมเวลาใกล้จะหมดอ๋อครับก็ก็เจอประมาณอย่างเนี้ยครับทําถูกไหมครับที่ทําอยู่นี้ก็ยังไม่ถูก่ถ้าถูกมันต้องสงบตลอดเวลาอแต่สงบตลอดเวลาก็ต้องมีสติตลอดเวลาครับต้องมีสติอยู่กับพุทโธท่านมันก็จะทําให้สงบตลอดเวลา ถ้าดูจิตเฉยๆมันจะไม่สงบมันก็อยากขึ้นลงขึ้นลงแบบที่คุณเป็นอย่างนี้เพราะอย่าไปดูจิตแต่ละจิตมันไม่สงบต้องพุทธพุทธพุทธพุทธัวไปเรื่อยๆหยุดความคิดหยุดความปรุงแต่งแล้วอารมณ์ต่างๆก็จะหยุดตามไปโอเคแั้มีอะไรไหมมีไหมคำถามอันนี้ก็สองคำถามแล้วกันคำถามจากทางเฟ e บุ๊ k ค่ะ ถ้าเราอยากไปอยู่ในที่ที่เราอยากอยู่อยากอยู่กับคนที่เราอยากอยู่อยากทำในสิ่งที่เราอยากทำให้เรายึดหลักอะไรในการตัดสินใจคะที่จะไม่ทำตามความต้องการของตัวเองมากเกินไปถ้าอยากแล้วมันไม่ได้มันจะทุกข์แล้วถ้าอยากแล้วได้ก็เดี๋ยวพอสักพักก็ต้องแยกกันอยู่ดีก็ต้องทุกข์อีกอยู่ดีทุกอยากอยู่คนเดียวดีกว่าจะไม่ทุกข์เลยอ่า คำถามจากทางทาทาค่ะคำถามจากทาง YouTube พระอาจารย์สุชาติค่ะในชีวิตประจำวันดูลมหายใจยากใช้วิธีรู้การเคลื่อนไหวของร่างกายได้ไหมครับได้แล้ใช้คำบริกรรมพุโทโธพุโทโธแทนก็ได้โอเคนะวันนี้เวลาก็พอสมควรก็ขอให้ท่านจงนำเอาสิ่งที่ท่านได้ยินได้ฟังไปพินิจพิจารณาไปปฏิบัติ